อย่างคนที่ถูกรถชนเนี่ยนะแม่บาดเจ็บเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะรถเอ้ยวิ่งมาชนอีกรอบหนึ่งเธอจะได้ตายไปสักทีเจ็บปวดเหลือเกินเนี่ยมีอย่างนั้นไหมไม่มีรอกเนี่ยนะแม้กระทั่งลุงเรื่องก็ว่าไปงั้นแหละบอกอุย้ยปวดยังไงตายเ่งดีกว่าเชื่อเถอะถ้าใครเอามีดมานะแค่สู้เลยนะลุกขึ้นสู้ต่อเลยนะจริงอ่ะแม่เอ า, ม า, เอ า, มาไม่กล้าจริงรอกเนี่ยนะเพราะอะไรพระสัตว์ทั้งโลกเนี่ยรักตัวกลัวตายทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเพราะอะไรผไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะสมัยก็ว่าแม้วังวบปั๊บจับให้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 เป็นต้นเนี่ยไม่มีใครเขาคิดอย่า ง, งานั้นหรอกทุกคนนั่งหาแต่ความสุขนั่งรอความสุขไปหาความสุขทุกคนไปเพื่อต้องการแต่ความสุขยิ่ ง, งขึ้นไปสัตว์ทั้งหมดสแสวงหาความสุขกันทั้งนั้นดูก่อนพญาช้างผู้มีผู้ยิ่งใหญ่เจ้าจงละการเบียดเบียนเสียเนี่ยนะอย่าไปเบียดเบียนเขาเลยเขาก็ปรารถนาความสุข เพราะฉะนั้นเจ้าจงเจริญแต่เมตตาหวังประโยชน์หวังเพื่อกูลหวังความสุขให้แก่เขาเจ้าจงเจริญกรุณานี่นะหวังที่จะช่วยให้เขาพ้นจากทิฏฐิภัยทุกทโทษโดยประการทั้งปวงเถิดนะพระองค์ก็สอนให้พญาช้างรักษาศีลแะให้เจริญเมตตาและกรุณาให้รู้ดีรู้ชั่วพระองค์ก็สอนศีลสมถะเนี่ยนะสอนศีลสอนเจริญเมตตาสอนกรรมสกตาให้พญาช้างก็ฟังรู้เรื่องนะ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 ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าปิยธาัศีพระองค์นั้นฝึกช้างโทนมุกแล้วนะเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยฝึกช้างธนาบานหรือช้างนาลาคิริเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดในสมาคมเหล่านั้นทำมาพิสมัยก็ได้มีแกสัตว์แป0 0 0 0โกธมีผู้ที่บรรลุอริยสัจตรัสรูร้ตามพระพุทธเจ้า8 0ด0 0โก ด, ดังที่พระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังในพุทธวงว่าต่อจากสมัย ของพระสุชาติพุทธเจ้าผ่านไป2 8 0 0 0ื 28, ับอ่รักเนี่ยนะก็ได้มีพร ะ, ะพระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยะทัศสีผู้มีพระยศใหญ่ผู้นำโลกเป็นผู้ที่เข้าเฝ้าได้ยากพระองค์เสมอด้วยพระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเสมอ พระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นมีบริวารยศอันหาประมาณไม่ได้ทรงรุ่งโรดดุดดวงอาทิตย์กำจัดความมืดทุกอย่างประกาศพระธรรมจักรพระพุทธเจ้าผู้มีพระเดชที่ช่างไม่ได้แม้พระองค์นั้นก็ทรงเมียพิสมัยการแสดงธรรมให้สาวกตรัสรู้ใหญ่ๆสครั้งครั้งที่หนึ่งได้มีกษัตริย์แสนโกรธส่วนครั้งที่สองเท้าสุทัศน์เทวราชทรงชอบใจในมิจฉาทิฏฐิยินดีในเครื่องเส้นสวงเ่ยนะ พระศาสดาก็บรรเทามิจฉาทิฏฐิของเ ท, ทวราชพระองค์นั้นแล้วก็แสดงคำโปรดครั้งนั้นการประชุมของชนนับไม่ได้เป็นมหาสันนิบาตการตรัสรู้ธรรมครั้งที่สองก็ได้มีแกสัตว์ประมาณ 90,000 โกดครั้งพระศาสดาผู้เป็นสารถีผู้ฝึกนรชนทรงแนะนำพยาช้างโทนมุกอภิสมัยการตรัสรู้อริยสัจก็ได้มีแกศัตว์ประมาณ 80,000 โกด ในส่วนเกี่ยวกับสาวกสนิบาตการประชุมสักร ะ, ะการประชุมพระอริยะสาวกผู้อรหันต์ทั้งหลายนียมีอยู่สาครั้งเล่ากันว่าในสุมลาล喀ณนครมีสหายสองคนคือพระราชโชรสพนามวา่าปาลิตบุตรปุโรหิตชื่อว่าสัพพทศิสกุมาร 2. ส, สหายนั้นเมื่อพระพิยะทศัศสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจาริกอยู่เขาได้สดับข่าวมาว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงพระนครของพระองค์ มีบริวารประมาณแสนโกดก็ออกไปรับเสด็จฟังพระธรรมของพระองค์แล้วก็ถวายมหาทานเจดวันวันที่เจ็ดหลังจากจบอนุโมทนาหลังจากที่พระองค์ฉันเสร็จแสดงอนุโมทนากระถาของพระพุทธเจ้าเพราะอะนะเจ้าชายพร้อมทั้งสกุมร น, นั้นอ่ะและบริวารอีกแสนโกดก็บวชบรรลุเป็นทาสหัน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกปาติโมกขึ้นแสดงท่ามกลางพิสุสาวกเหล่านั้นอันนี้เป็นสันนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่หนึ่งสมัยต่อมาพระพุทธเจ้ า, ามีสัตว์ประมาณ9 0้า0มืนโกรธบรรลุอรหัตในสมาคมของทา้าวสุทัศนะเทวราชพระศาสดาอันพิสุเหล่านั้นเวทล้อมก็ยกปาติโมกขึ้นแสดงอันนี้เป็นสันนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่สอง ต่อมาอีกในสมัยแนะนำพญาช้างโทนมกสัตว์แปดหมื่นโกดบวชแล้วบรรลุพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้าก็แสดงปาติโมกย์อ น, นัยกปาติโมกขึ้นแสดงท่ามกลางภิกษุสาวกเหล่านั้นอันนี้เป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่สฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะเป็นพรา ม, มานพชื่อว่ากัสปะเรียนจบไตรเพศทั้งอ น, นัครบทั้งหรวมทั้งลำพีติหาสะ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 คู่อักระสาวกชื่อว่าปาริตะและพระสัพพัทสีอุปถากชื่อว่าพระโสพิตะคู่อักระสาวิกาก็ ค, ค, คือพระสุชาดาและพระธรรมทินนาโภพผลักต้นไม้ที่ตรัสรู้ชื่อว่าต้นก ก, กุทะต้นกลุ่มพระสรีระสูง8ปศอกพระชนมายุเก้าหมื่นปีอักระมเหสีพระนางวิมลาพระโอรสพรนาว่ากันจนาเวละ สเสด็จออกอภินศษสกลด้วยรถเทียมมา น, นะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะเป็นหลังจากที่บำเพนพุทธกกจก็มีพระบริวารยศหาประมาณไม่ได้พระองค์นั้นมีประหาภุริะลักษณะ3 2ประการสูงประมาณ82ดูเด่นเห็นชัดเหมือนต้นพญาสาระ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 คล้ายๆฉันใดแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็หาใช่เหมือนกับของพระพุทธเจ้าไม่พระผู้มีพระจักสุดํดำรงอยู่ในโลกประมาณเก้าหมื่นปีพระชนมายุของพระองค์ผู้เป็นเทพแห่งหมู่เทพพระองค์นั้นเรียกว่าเทวดายิ่งกว่าเทวดาเป็นเทวดาที่เทวดาบูชาอย่างมนุษย์ทั้งหลายเทวดาของหมู่มนุษย์เขาเรียกว่าสมมติเทพสมมติเทพเหล่านั้นก็ นับถือพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระองค์เหนือกว่าเทพเหล่านั้นอุปัติเทพทั้งหลายพุทธมเทวดาดาวจาตุมยดาวดึงยามาดุสิตเทวดาเหล่านั้นคู่มีเทวดาอีกครั้งหนึ่งเป็นพระราชาเทวดาเหล่านั้นก็นับถือพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะก็นับว่าเป็นเทพพระพุทธเจ้าก็เป็นเทวดาของพระอรหันต์ทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งนะพระองค์ก็มีพระชนมายุยืนเก้าหมืนปี พระพุทธเจ้าผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเสมอด้วยพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระคู่อักขรสาวกหรือปกติสาวกที่ไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบเหล่านั้นได้ทั้งหมดเหล่านั้นก็อันตรธานไปสิน้นเพราะฉะนั้นเมื่อหนึ่งพันแปดร้อยกับที่แล้วก็ไม่เหลืออะไรแล้วบัดนี้สังขารเหล่านั้นก็อันตรทานไปสิน้นสังขารเหล่านั้นก็ว่างเท้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 พระนามว่าปิยทัศนีผ่านมาแล้วสองอสงไขสามสงไข่สี่อสงไข่ร้0ยพันหมื่นแสนล้านอสงไข่ในที่สุดวันเวลาไม่หวนย้อนกลับมาสังขารทั้งหลายก็อันตรธานผ่านไปเช่นนั้นันนชีวิตของเราทั้งหลายที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนได้ศึกษาเรียนรู้รายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระนามว่า